มาแล้วเขามาแล้วยาน้ำกระชายดำตราโคทีนเกรนเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบำรุงร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยาน้ำกระชายดำตราโคทียนเกรนเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบำรุงร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทะเบียนยาเลขที่จีเก้าแปดหทัสี่เจ็ดผลิตโดย สมศักดิ์เพศศัตว์อำเภอบ้านผายจังหวัดขอนแก่นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป